มือมนุษย์ตอนอวสานสรุปความดังได้บรรยายหลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยลำดับลำดับว่าพุทธศาสนาคือวิชา และระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้จักสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งทั้งปวงมีสภาพตามที่เป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวหรือของตัวแต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรักหลงยึดติดสิ่งทั้งปวงเพราะอำนาจของความยึดมั่นที่ผิดในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเรียกว่า ศีลสมาธิปัญญาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียอุปทานความยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึดคือขันทั้งห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อรู้จักขันทั้งห้าตามที่เป็นจริงก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยากไม่ยึดอะไรติดอะไรและเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ชอบคือให้วันคืนเต็มไปด้วยความปิติปราโมชอันเกิดจากการกระทำที่ดีงามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระ ง, งับความฟุ้งซ่านเกิดสมาธิเกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆไปจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายความอยากความหลุดพ้นและนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะรีบเร่ง ทำให้ได้ผลเร็วขึ้นก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสนาธุระเริ่มตั้งแต่มีความประพฤติบริสุทธิ์มีใจบริสุทธิ์มีความเห็นบริสุทธิ์เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญาคือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ถูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่าการบรรลุมรรคผลทั้งหมดนี้นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นแนวสังเขปทั้งหมดของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนปลายให้เห็นว่าหลักพุทธศาสนามีอยู่อย่างไรพร้อมกับแสดงหลักปฏิบัติไปในตัวเป็นอันว่าเราได้ติดตามเรื่องมาตั้งแต่ต้น จนถึงผลสุดท้ายของพระพุทธศาสนาเรื่องทั้งหมดก็ไปจบสิ้นลงที่นิพพานดังหลักพุทธภาสิตที่ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ย่อมถือว่านิพพานเป็นอุดมธรรมฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจและให้ลุ้ถึงได้ตามสมควรจึงจะได้ชื่อว่า เป็นพุทธบริษัทคือเห็นแจ้งหรือเข้าถึงตัวพุทธศาสนาจริงๆมิฉะนั้นแล้วจะเป็นแต่ผู้รู้หรือผู้เข้าใจในพุทธศาสนาเท่านั้นหาได้เป็นผู้เห็นแจ้งไม่ฉะนั้นทุกคนจะต้องไปพิจารณาดูกิเลสของตัวเองให้เข้าใจแล้วพยายามถ่ายถอนมันออกไปเสียให้ได้ แม้ได้แต่เพียงครึ่งหนึ่งก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาบ้างเมื่อกิเลสครึ่งหนึ่งมันหมดไปแล้วจริงๆผลก็คือความสะอาดปราศจากความชั่วเกิดความสว่างจากความหลงผิดแล้วความสงบทางจิตใจก็เกิดขึ้นแทนจึงขอแนะนําพร้อมทั้งวิงวอนให้ท่านทั้งหลายศึกษาพระพุทธศาสนากันในอาการเช่นนี้ เพื่อจะได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยก็ทำให้เราได้ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ดำเนินการบันทึกเสียงโดยเสียงเอกจัดทำโดยธรร ม, รร ม, มสภาท่านที่สนใจศึกษาหาฟังคําบรรยายจากหนังสือคู่มือมนุษย์ได้จากสำนักพิมพ์ธรร ม, มสภาเลขที่35มสิบพทับสองเจ็ดศนสนิทวงหกสิบางพลัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ห0ึ่ง หมายเลขโทรศัพท์4344267 4343563และ4โท .40375 ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งขอได้รับความขอบคุณจากธรรมสภา